อาต่อไปโพชังค่ะปริษโพชังโคสติสังคาโตธรรมมางเวเจโยตทาวิริยามปิติปัสสทิโพชังคาจตทาปาเรสมาทุเปกะโพชังคาสเตเตสัพทันสีนามุนินาสัมมาทาคาตา บาวิตาภูริกตาสังวาตันติอภินญาญานิพานายจโพธียาเอเตนัสจวัฒเชนาโสติเตโหตุสัมปทาเอกสมิงสมเยนาโทโมคันลานันจะกันสปังกิราเนีทุกิเตทิสวาโพชังเคสัตเทศยี เตจตังอภินันทิตวาโรคามุจิงสุตังคเนเอเตนสัจวเชนนาโสติเตโหตุสัมปทาเอกทาธรรมราชาปีเครันเยนาพิปิริโตจุนทาเทเรนตัญเยวา พนาเปตวานาสาทารังสัมโมทิตวาจอาพาทาตัมหาวุทาสิทานาโซเอเตนาสะจวัชเชนาสติเตหนตุสัมปทาปิหินาเตจาพาทาตินันนำปีมเหสินัง มาคาหาตากิเลสาวาปตานุปาติธรรมะตังเอเตนะสัจจวะเชนาโสติเตหนตุสัมปทาโพชังคับริต oh ังนิธ it ิตังจบโพชังคับริต